พึงพากันตั้งใจให้ดีการฟังกรเชื่อว่าเป็นการอบรมกายด้วยอบรมจิตด้วยเหมือนกันไม่เฉพาะแตน่นั่งสมาธิภาวนาอย่างเดียวแต่ขั้นวุเธเจ้านั่นนะเพื่อนฟังทำจบลงนะใดบรรลุมขผลก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก การฟังถึงแม้ว่าจะไม่บรรลุมรคลแต่ก็ได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องอเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมะไว้ให้พุทธบริษัทได้ถือเอาปฏิบัติตามเรียกว่า ทำใจให้เป็นธรรมฝ่ายกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ฝ่ายใดเป็นอกุศลตะโกนละมันไปอย่างนี้นะทำภัยที่เป็นกุศลก็หมายถึงธรรมที่บังเกิดขึ้นในใจแล้วสามารถละกิเลสให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้ทาอันใด เป็นการพอกคูณกิเลสให้หนาแน่นขึ้นทำอ น, นั้นเป็นอกุศลธรรมพูดถึงหลักใหญ่ๆเป็นอย่างนี้จะนั้พากันสร้างสมกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในใจของตนให้ได้กุศลธรรมนั่นหมายถึงความฉลาดฉลาดในกระบวนจิตรู้จกัก น้อมจิตเข้าสู่ความสงบรู้ถลดัดหาอุบายสอนจิตให้ละให้ปล่อยให้วางบรรดาสรรพสังขารทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปมูนีต้องพิจารณาให้รู้แจ้งแล้วปล่อยวางอืม การที่บุคคลมามีอุบายสอนจิตให้ปล่อยวางสังขารทั้งหลายได้นั่นแหละท่านเรียกว่ากุศลธรรมเป็นผู้มีกุศลธรรมบางเกิดขึ้นในใจผู้ใดไม่มีอุบายแยบคายสอนจิตให้ละความยึดความถือต่างๆลงได้แถมยังสะสม ความยึดถือให้มากขึ้นเช่นนี้จะเรียกว่าเป็นอกุศลธรรมแปลว่าเป็นธรรมอันไม่ฉลาดคือไม่มีความฉลาดในใจจึงไม่สามารถจะละสังขารปล่อยวางสังขารทั้งที่เป็นมีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดี ก็าวางไม่ลงเธ อ, อมั่นว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นไอความถือมั่นเนี่ยจะพากันระมาท์ตให้พากันเพ่งพิจารณาให้ดีมเมื่อจิตใจมันวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นด้วยเรื่องอะไรนั่นแหละแสดงว่าจิตใจมันยึดถือในเรื่องนั้น มันจึงวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นถ้าจิตใจไม่ยึดถือแล้วแม้ว่าเรื่องใดจะประกระทบกระทั่งมามันก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนนะอย่างนั้นบางคนก็เกิดวิปลาสขึ้นเ็าเรียกว่าเป็นโรคประสาทหลอน เป็นโลคประสาทหลอนที่ระแวงสงสัยแต่ผู้อื่นสงสัยแต่กลัวผู้อื่นนั่นจะยกโทษตนจะไม่เคารพนับถือตอนจะนินทาว่าร้ายตนไปวิตกวิจาร์ลังเลสงสัยอยู่ยนั่นเมื่อไปยึดอารมณ์นั้นมากๆเข้าไปแล้ว มันก็ทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ระเบิดออกมาแล้วอืมแสดงออกทางกายกายก็ไม่สุภาพแสดงออกทางวาจาการกล่าววาจาก็ไม่เป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคีกันกล่าววาจายกโทษติเตียนคนโน้นคนนี้อะไรอย่างนั้นนะเนี่ยเรียก ว, ว่าจิตวิปลาส ให้เข้าใจคือมันเห็นเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริงไปงั้นความเป็นจริงแล้วแม้ว่าคนนั้นเราจะรู้ว่าไม่ดีเขาชั่วแต่ไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะพึ่งไปสอนเขาหรือบังคับเขาอย่างนี้เราก็ปรงก็วางเสียไม่ยึดถือเอาด้วยความ ยินร้ายด้วยความเกลียดชังไว้ในใจอืมเขาจะดีเขาจะช่วยเรื่องเขาเราไม่ไม่มีหน้าที่ที่เราจะไปบังคับเขาหรือไปสอนเขาเราไม่ต้องเกี่ยวอย่งนี้เราก็วางลงไปเสียอ่เช่นนี้เรียนว่าคนฉลาดหรือว่าฉลาดรู้จักทายความยุ่งออกจากใจอืม คนไม่ฉลาดแล้วใครทำอะไรผูไร้ไรไม่สบอารมณ์เจ้าของหรือนี่แสดงโกนแวงไงว่านี่นะว่าว่าแต่เขาจะว่าตนเบียดเบียนตนอะไรต่ออะไรไปทํางนองนั้นนะแล้วก็เกิดวิตกวิจารยุง่งขึ้นมาในใจใจสงบไม่ได้เลย ระแวงกลัวแต่เพื่อนจะรังเกียจรังแกต้นอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียวกว่าความไม่ฉลาดให้เข้าใจถ้าใจฉลาดแล้วไม่เป็นเช่นนั้นนะให้มองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปดีก็ดีชั่วก็ดีเราต้องมีจิตใจอย่างลงสู่พระมา ธ, ธรรม อย่าไปติดอยู่เพียงแค่สมมุติบัญยัตเท่านั้นนี่ก็เคยเตือนเคยพูดให้ฟังโยแต่บางคนอาจจะไม่ใส่ใจเลยไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทำไมจะไม่สำคัญเล่าไอ้โลกมันยุ่งอยู่นี่ก็เพราะความยึดถือนี่แหละพี่นาดูตั้งแต่อย่างหยาบพุ่ะจนถึงอย่างละเอียด จิตยึดถือเรื่องใดเราก็ยุ่งกับเรื่องนั้นแหละเป็นอย่างนั้นบางคนก็อาจจะมิเข้าใจไปว่าเอาถ้าไม่ยึดถือล่อยปาละเลยไปเสียแล้วมันจะไม่ยุ่งมากกว่านี้เหรเอบางคนก็อาจจะพูดอันนี้ก็ได้อันนี้มันควรจะเข้าใจว่ามันคนละเรื่องกัน อันจิตใจของเราเนี่ยเมื่อรู้เท่าสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ยินดีเราไม่ยินร้ายแต่เมื่อเหตุที่เกิดขึ้นนั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรควรจะทำอย่างไรก็ทำไปตามเหตุอย่างนี้นะถ้าสมมตินะว่าเราเห็นคนทะเลาะวิาาวาทกันโยงนี่นะ เอ้คนสองคนนี่ถ้าเราไปพูดจาไปไกลเกียรนี่เขาคงจะเลิกลากันเพราะเขาเคารพนับถือเรามาแต่ก่อนอย่างนี้นะเมื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปพูดไกลเกียรให้เขาเลิกเลิกลาการทะเลาะวิวาทการเสียเขาก็เลิกไปได้เพราะเขาก็รับนับถือแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าคนสองคนนี้ไม่เคยได้นับถือเรามาแต่ก่อน ไม่เคารพยำเกรงเราอย่างนี้เราไม่ควรที่จะไปพูดกับเขาเลยพอพูดได้ก็คงไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์เขาคงไม่เชื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็หวางแต่เขาจะทะเลาะกันผิดเพี้ยงกันยังไงก็แลว้วแต่เรื่องเขาแล้วถ้าคนอื่นมีความสามารถคนอื่นเขาก็จะไปไกลเคียร์เอง นี่ยกตัวอย่างให้ฟังความฉลาดกับความไม่ฉลาดอันนี้นะเป็นใ้เบื่องยกยกตัวอย่างนะดังนั้นให้พากันเข้าใจอุบายวิธีฝึก้นจิตใจนี่นะเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วอย่างนี้เราก็จับเอาเหตุนั้มาพิจารณาวิจัยว่าเหตุนี้ควรอย่างไร ควรจะปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้นะมันก็รู้ถ้าเรามาพิจัยไถ ด, ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่แล้วนะไม่ลำเอียงด้วยอำนาจกิเลสแล้วมันก็มองเห็นทางแก้ไขเหตุทนั้นให้ให้มันเป็นธรรมให้มันเป็นวิในไปเหตุนี่ส่วนมากก็เกี่ยวกับบุคคลนั่นแหลอะอนอกจาก บ, บุคคลไปแล้วมันก็ไม่มีเรื่องยุ่งยากอะไรหนักหนาหรอก เรื่องบุคคลนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญมากไปอย่างั้นดังนั้นเราอยู่ด้วยกันก็ขอให้ต่างคนต่างฝึกจิตใจของตนให้เกิดความรู้ความฉลาดในเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกแล้นี้ให้ได้อย่าไปเฉยเมย อ, อยู่โดยที่ไม่ได้วิวนิจฉัยไอ้คน ที่จะเผกความเลาดาให้เกิดขึ้นแก่ตนนะเมื่อได้ยินเสียงใครพูดอะไรป ร, รบเรื่องอะไรอย่างนี้นะแล้วก็กำหนดพิจารณาตาม เ, เรื่องนี้เป็นประโยชน์นะเราควรจำเอาไว้แล้วไปปฏิบัติตามอย่างนี้นะถ้าฟังเสียงผู้พูดนัด้นพูดมาแล้ว พิจารณาเห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรก็ไม่ควรยึดถือเอาก็ปล่อยวางไว้ตามเรื่องเสีย อ, อย่างนี้นะนี่เรียกว่าฝึกความฉลาดให้เกิดขึ้นในจิตใจถ้าถ้าคนไม่ฉลาดแล้วก็อย่างว่านั่นแหละไปตกเป็นท่าแทงโมหะความหลงเข้าไปแล้ว ส่วนมากก็ไปมากจะไปยึดถือเอาเรื่องไม่ดีนั่นและที่มันเกิดขึ้นเน่ะไอเรื่องดีที่เพื่อนปลารบขึ้นมานี่ไม่สนใจฟังหรอกไม่พอใจฟังอืมแทนถ้าว่าเรื่องไม่ดีแล้วได้ยินอยู่ที่ไหนก็เพ่นไปหาอ่คนบางคนไปอย่างนั้นแสหาแต่เรื่องไม่ดีอืมอันนี้ก็ไม่ควรไม่ควรเลยเราต้องรู้ เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องสนใจมันถ้าไม่ใช่หน้าที่เราจะเพิ่งระงับหาทางหลีกเลี่ยงได้เป็นการดีอย่างนี้แหละถ้าเป็นเรื่องดีมีประโยชน์อย่างนี้เออคอยสนใจกันเข้าไปธรรมดาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะมันก็ต้องฉลาดอย่างนี้การอยู่ร่วมกันในโลกนี้นะ ถ้าไม่ฉลาดอย่างนี้แล้วการอยู่ร่วมกันมันก็ไม่เป็นความสุขความสบายใจคอยระแวงต่อกันและกันอยู่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเพราะไม่ยอมละอุปท า, านความยึดถือเรื่องดีเรื่องชั่วชั่วมาก็ยึดเอาไว้ดีมาก็ยึดเอาไว้อย่างนี้นะมันมันจะให้มันไม่ให้มันยุ่งมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะ ก็ความยึดถือนั้นเป็นเหตุนะเช่นใครว่าอะไรให้ตนหน่อยหนึ่งนี่แต่เวลานั้นตนไม่มีโอกาสจะได้โต้ตอบก็ยึดเอาไว้เมื่อได้โอกาส ก, าก็เอาเรื่องหลังนั้นมาพูดกระทบกระแทกเด็กดันกับฝ่ายโกรงเงินข้ามเข้าไปก็เรื่องยุ่งเหยิงขึ้นมาอย่างี้นะ นี่แส ด, แดงถึงความยึดถือความชั่วให้ฟังมันก็มีแต่จะเป็นไปเพื่อความยุ่งเหยิงมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าผู้ภาวนาเห็นว่าขันห้านี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงด้วยปัญญาจริงแล้วจะเนี่ใครจะว่าดีว่าชั่วใครจะสนับสนุนใครจะนินทาไอ้ความรู้สึกทางจิตใจนี่ก็เป็นปกติอยู่อย่างนั้น เพราะว่ามองเห็นแล้วไอ้เสียงที่เพลงออกมานั่นก็เป็นสังขารเกิดแล้วก็ดับไปถ้าพูดถึงทางปรามาจา์แล้วไม่มีตัวตนอะไรเหตุที่มันจะมีดีมีชั่วขึ้นมาก็เพราะจิตไปยึดถือเอาเท่านั้นเองนะเมื่อจิตไปยึดถือเอาแล้วมันก็มีละมีเรื่องขึ้นมาแล้วอืมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่การภาวนา ก็ขอให้พากันอย่างปัญญาลงสู่ปรมาถาธรรมให้ได้อย่าให้มันอยู่ติดอยู่เพียงแค่สมมติบัญญัติเท่านั้นถ้าไปติดอยู่แค่นั้นแล้วจิตมันก็คล่องอยู่ในโลกแล้ววันนี้นะนั่นก็อย่างว่านั้นแหละอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเพราะว่าระแวงแต่ผู้อื่นจะนินทาว่าร่าจะเบียดเบี้ยนต้นบอก จะไม่พอใจกับต้น่างนี้นะไอ้ความยึดถือเนี่ยลักสนายความยึดถือนไปอย่างนั้นนะแล้วมันจะมีความสุขได้ที่ไหนล่ะถ้าเป็นเช่นนั้นนะอ่า น, นั่นแหละแต่ทางที่ดีเล้วเราไม่สนใจเลยยังใจลงสู่พระมรรมทธรรมทุกสิ่งทุกอย่างดีก็ดีชั่วก็ดีมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป เท่านั้นเถ้าใจนี้ไม่ไปยึดถือเอามนแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็เลวไปมันก็ไม่มีอะไรมีดีอยู่ที่จิตเท่านั้นแหละอันอารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปหมดเลยเมื่อจิตไม่วันไวจิตไม่ยึดถือแล้วความดีก็มีอยู่ที่จิตเท่านั้นเองนะความบริสุทธิ์ก็มีอยู่ที่จิตนั่นแหละ ความสุขก็มีอยู่ที่จิตความสงบก็มีอยู่ที่จิตเท่านั้นไม่มีที่อื่นเพราะว่าจิตนี้นะถ้าพูดโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่มันเกิดมันดับมันแปลปวนอะไรเหมือนอย่างธรรมารมต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตใจมันเป็นธรรมชาติรู้อยู่เท่านั้นเองนะก็ลองสังเกตดู แม้จะไดปะ้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเท่าไร่เท่าไรไอความรู้สึกอันนั้นมันก็เท่าเดิมอยู่นั่นแหละแต่มันเดือดร้อนนะเพราะเหตุว่าใจมันยึดถือเอาเหตุต่างๆมาไว้แล้วมันจึงเดือดร้อนขึ้นมาถ้าหากว่าไม่ยึดถือเอาเหตุต่างๆเหล่านั้นแล้วเหตุอันเหล่านั้นดับไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้น มันก็ไม่มีดีมีชั่วอะไรไม่ร้อนไม่หนาวอะไรเลยให้พากันสังเกตดูให้ดีถ้าผู้ที่ภาวนาอย่างลงสู่ปรมา ธ, ธรรมอย่างนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะื ม, มนจะอยู่ด้วยกันเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าต่างคนต่างเกิดความรู้ความเห็นกันว่าสักสิ่งเนื่ง ทั้งพวงเหล่านั้นมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีอะไรอ่ะ้าวดีชั่วเหล่าดีชั่วก็ถ้าบุคคลไปยึดเอามันก็มีเนี่ยถ้าไม่ยึดเอาแล้วมันไม่มีมาดังที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอา้าวถ้าอย่างนั้นจะไปสอนในรากความชั่วทําความดีทําไมบางคนก็อาจจะพูดขึ้นอย่างนี้ อันนี้มันเป็นขั้นต้นเราต้องอย่าไปก้าวไายกันอย่าไปลดหลั่นกันอย่างนั้นในขั้นต้นนี้เพื่อนก็ต้องสอนอย่างนี้แต่ก่อนวุตถเจ้าคดีเพราะบุคคลยังละความชั่วไม่ได้ก็ต้องสอนให้ละความชั่วซะก่อนแล้วสอนให้ทำความดีให้เกิดมีขึ้นในจอนอันนี้เมื่อละความชั่วได้แล้วคุณงามความดีจะเริงองอกงามขึ้นในจิต จิตสงบจิตตั้งมัน่นด้วยดีแล้วอย่างนี้นะเอาจิตนั้นแหละพิจารณาดูสังขารสรรพสิ่งทั้งพวงที่มีความเกิดขึ้นมาแล้วทั้งที่มีวิญญาณก็ดีไม่มีวิญญาณก็ดีเมื่อมองด้วยปัญญาแล้วมันก็เห็นจะมีถ้าเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นนะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรเลยอืม เราก็ต้องปฏิบัติธรรมพิจารณาให้เกิดความรู้ความเห็นเป็นขั้นขั้นไปอย่างนี้อย่าไปเอาผสมประสานกันไปอย่างนั้นเรื่อยๆไม่ได้สมมุติก็เอาไว้เป็นพอสมมุติบรรยัญญติก็ไว้เป็นบรรยัญญติไปแต่จุดมุ่งหมายของผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ปรมตทธรรมคิดยังลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตา สรรพสิ่งทั้งพวงมันก็มีอยู่ลักษณะสามนี่ประจำอยู่หมดสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะสิ่งทั้งพวงนั้นย่อมมีความแปรปรวนแตกดับไปไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเลยก็มันมีลักษณะสามอยู่ประกอบอยู่หมดแลวแล้วทำอันใดที่มันไม่มีลักษณะสามเนี่ย คือความรู้จริงนั่นแหละความรู้จริงความไม่ยึดถือสังขารทั้งหลายที่สภาพถูกปุงแต่งขึ้นมาเนี่ยความรู้จริง น, นั่นแหะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นเลยเป็นหนึ่งไม่มีสองคอยเข้าใจเรามุงเอาตรงนั้นแหละการปฏิบัติธรรมนะ เมื่อจิตเข้าถึงความจริงอย่างว่านั้นแล้วมันเป็นหนึ่งไม่มีสองแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเลยอย่างนี้นะมีก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ยึดถือเรื่องต่างๆมีอยู่นะี่ภายนอกนี่นะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่นั้นแต่มันไม่มีอยู่ในใจหมายความอย่างนั้นเราต้องทำใจให้เป็นอย่างนั้น ยึดเอาไว้มาวิตกวิจารณนอยู่อย่างนั้นก็ชื่อว่ามีอุปทานในขันห้าอยู่มันก็พ้นทุกไปไม่ได้เรื่องวะ น, นะแต่แน่นอนแหละเมื่ อ, อยังละอุปทานเด็ดขาดไม่ได้มันก็จะมีย่อมีการยึดแล้วมีวิตกวิจารณกันอยู่แต่และเพียงว่าให้เรารู้ตัวเท่านั้นเองนะรู้ว่าจิตยึดเรื่องนี้ในขณะนี้นะ เมื่อรู้ตัวว่าจิตมันยึดอย่างนี้แล้วเราก็พยายามหาโอบัยสอนจิตให้ปล่อยให้วางความยึดถืออันนั้นไปเสียถ้ามันวางได้จริงจริงจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งอมันก็เบื่อหน่ายนะอารมณ์เหล่านั้นมันก็อิม่มมันไม่อยากคิดไม่อยากคงแต่งกันไปแล้วเพราะว่าเพ่งพิจารณาดูแล้วไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยอืม มีแต่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองเพื่อเป็นเช่นนี้นะจะไปวิตกทุกข์ร้อนอะไรกับสิ่งที่มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่นั้นนะจะไปทุกข์ร้อนเท่าไรมันก็มันก็ไม่มีสิ้นสุดแหละเอาเอาสิ่งนี้รู้สิ่งนี้ผ่านไปแล้วหน่อนหนึ่งสิ่งอื่นเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอีกก็จะไปมัวเมาเสียใจดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่นั่นไนงะ แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงบ้านี่แตต้องคิดดูให้ดีอันนี้แบบะปัญญาเนะี่ยมันต้องมันต้องอบรมให้เกิด ค, ความรู้ความฉลาดขึ้นอย่างนี้มันจึงสงบระ ง, งับสม่ำเสมอไปได้จิตนี่นะถ้าก็าภาวนาไม่อย่างจิตลงสู่อั น, นิจจังทุกขังอนัตตา จิตไม่รวมลงเป็นหนึ่งรู้อนิจจังทุกขังอนาาัตตาอยู่นั่นน่ะมันไม่ได้แล้วมันจะไม่ไม่ยอมสงบเลยอืมมันเปน็นยงถ้ามันรู้อนิจจังทุกขังอนาาัตาจริงจริงอย่างนี้มันมันรวมแหละมันวางมันรวมลงไปเลยอืมรวมลงไปมันก็มีแต่ความรู้กับสติเท่า น, นั้นเอง แต่กว่ารู้รู้ตัวเองนะรู้ตัวเองว่าไม่ยึดไม่ถืออะไรอืมเช่นนี้แหละมันไม่ใช่มีสองนะความรู้มีหนึ่งเท่านี้นนอแล้วรู้ตัวเองรู้ตัวเองว่าไม่ยึดไม่ถืออะไรแล้วเช น, นี้ก็อยู่ก็ตั้งมั่นอยู่ตั้นั้น พอมันถึงที่สุดลงไปอย่างนั้นแล้วมันก็มีสติประคองความรู้ความเห็นอันนั่นไว้ให้มันอยู่นานเท่าที่มันจะอยู่นานได้ถ้าหากว่ามันจะถอนออกมามันจะต้องคิดน้ดนคิดนี้อย่างนี้ก็เอาหาเรื่องที่ควรจะคิดเรื่องใดที่เรายังไม่รู้แจม่มแจ้ง ก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาเอาให้เป็นเครื่องอยู่ของขจิตใจพดใจนี้นะ่ะจะให้มันสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หรอกไม่ได้คอให้เข้าใจแต่ว่าผู้ฉลาดนะ่ะมันต้องหาเรื่องให้จิตไปคิดในในทางที่มันเป็นประโยชน์นั้นอคิดไปในทางที่เป็นกนุศล ให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นอย่างเราคิดว่าการที่เราทำข้อวัตรปฏิบัติโดยความไม่ประมาทอย่างนี้การที่เราขยันไม่พระนั่งสมาธิภาวนาเช่นนี้เลยชือว่าเป็นตัวอย่างของผู้เอิญผู้ที่ยังอ่อนแออยู่นั้นเห็นตัวอย่างของเราแล้วเขาก็จะพยายามอ่ พยายามบำเพ็ญให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ความคิดอย่างนี้ได้ชื่อว่าคิดให้เป็นประโยชน์ทั้งตนและทั้งผู้อืน่นตนก็จะได้ขยันนั่งสมาธิภาวนาอย่างนั้นแม้กลางวันหรือกลางคืนก็ตามเลยเมื่อเมื่อใดโอกาสแล้วก็ต้องต้องนั่งสมาธิทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเพราะว่า บุคคลผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วมันก็อยากพ้นทุกข์พ้นภัยเหล่านี้อย่างแรงกล้าลนั้นเมื่ออยากพ้นทุกข์เหล่านี้แล้วเราจะพ้นโดยทางไหนวะนีะ่ก็พ้นโดยทางทาใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องที่จิตมันเกาะมันคล้องนั้นหาอวัยอนจิตให้ปล่อยให้วาง เรื่องที่มันยึดมันถือมานั้นมเมื่อจิตเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็โปรงก็วางเรื่องที่เคยยึดเคยถือมาแต่ก่อนนั่นเสียก็อย่างนี้แหละมันจะก็จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้โดยรวดเร็วมไม่ชักช้าอันบุคคลผู้ที่มีมันสมองหรือมีสติปัญญาเฉยชา คิดอะไรก็ไม่เด็ดขาดสักทีคิดอะไรก็มีแต่ลังเลสงสัยว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่เนอเรื่องนี้เป็นอย่างไรตัดสินใจไม่ลงเยื่อนั้นนั่นแหละทําให้เนิ่นช้าเลยอืมการที่เราจะแสวงหาทางออกจากทุกข์มันต้องมีใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ เมื่อสิ่งนี้แล้วคนรละแล้วละจริงๆเลยอย่างนี้นะละมันแล้วไม่คิดหามันอืมเมื่อไม่คิดหามันแล้วมันก็ดับไปเรื่องนั้นน่ะมันหามันมันหาได้มีอยู่ในใจไหมถ้ามันมีอยู่ในใจก็แสดงว่าจิตมันยึดถือเอาคืนมาอืมใจมันต้องทําใจให้เด็ดเดี่ยวอย่างนี้เรื่องมันน่ะมันจึงละอุปทานได้อืม ถ้าไปอ่อนแออยู่แล้วเมื่อกิเลสมันชวนให้วิตกวิจารณเรื่องอะไรต่ออะไรไปก็วิตกวิจารณไปไปตามมันอยู่นั้นไม่สามารถจะละอารมณ์เหล่านั้นให้จิตรวมลงไปหนึ่งได้เช่นนี้มันก็ตกเป็นทาตของกิเลสอยู่นั้นนะจิตใจทั้งกระรอุปทานความยึดถือไม่ได้เลยอืมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นในพากันเข้าใจว่าในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้คนเรานั้นละความยึดความถือในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเนี่ยละสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน แต่เราก็อาศัยสังขารอยู่นั่นแหละแต่หากมายึดถือสังขารทั้งพวงเหล่านั้นว่าว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเช่นอย่างเราอาศัยผ้านี่แหละนุ่งโฮมอยู่แต่จิตเราไม่ได้สำคัญว่าผ้านี่เป็นของร้องมันเป็นธาตุดินตังหากเสียงจะเอามาหุ้มห่อกายนี้ไปชั่วคราวเท่านั้นเองก็อย่างนี้แหละให้เข้าใจ ไอ้คำที่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้คนเราละความยึดความถือนะผ้านี่เราถือว่าไม่ใช่ของเราแต่เราก็ห่มมันอยู่เราก็ใช้สวยมันอยู่อย่างนี้นะอันนี้ร่างกายนี่เนอะจิตก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราแต่ว่าจิตก็ยังอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ทั้งนี้เพราะอะไรอะ่ะ ก็เพราบุญเก่าที่ทํามาแต่ก่อนมันยังไม่หมดบุญเก่ายังรักษาอัตภาพร่างกายนี้อยูอ่อ่าผู้ใดไปชิงฆ่าตัวตายก่อนเสียก็เป็นกรรมเป็นวรตามสนองไปอถ้าคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ทราบว่าจะอยู่ไปทําไมอยู่ไปก็มีแต่ทุกข์ตายได้เร็วๆยิ่งดี พอไปกินยาพิษจาเบื่อเข้าไปยิงตัวตายเข้าไปอย่างนี้อันนั้นมันยิ่งไปกันใหญ่อันนั้นเลยยิ่งเป็นอุปท า, านใหญ่เลยมาหาอุปท า, านทีเดียวหละอืมข่าตัวตายหนึ่งว่าตนตายแล้วจะอ่าจิตวิญญาณนี่จะพ้นจากรูปจากนามอันนี้ไปแล้วจะสบายไปอความเข้าใจของคนนะมันเป็นอย่างงั้นเอาตนไม่ได้ทําความดีไว้อ่ะ เขาไม่ทำบุญกุศลไว้เขาไม่ได้ฝึกจิตใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมดังกล่าวมาแล้วนะั่นน่ะแล้วค่าตัวตายนะแล้วจะให้จิตใจนี่มันไปเกิดที่สุขบายไปได้ยังไงอะ่ะเพราะว่าจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยนำไปนะตายแล้วนะ่ะ ผู้ใดสั่งสมเหตุอันใดไว้เหตุอันนั้นเลยก็ น, นาไปเกิด อ, อย่างนี้นะดังนั้นผู้ที่คิดเห็นเช่นนั้นนะไม่เข้าใจในเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงผู้เข้าใจในเหตุผลแห่งชีวิตตามเป็นจริงแล้วจะไม่ฆ่าตัวตายเลยจะเข้าวัดฟังธรรมทามันเกิดคุ่มใจมาแก้ปัญหาในชีวิตไม่ตก ก็เข้าไปหาพระอาเจ้าผู้ท่านทนานาญในธรรมะคําสองของพระพุทธเจ้าไปเรียนถามท่านแสดงความที่ตนเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยเหตุอันไดให้ท่านฟังแล้ววันนี้ท่านก็จะมองเห็นทางแก้ปัญหาของขิดนั้นอย่างไรแล้วท่านก็จะชี้แจงอธิบายให้ฟังไป เช่นนี้แล้วผู้ผู้ได้ฟังได้รู้เหตุอันที่จะระงรับจิตใจที่เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่นั้นแล้วมันก็ก็ระงรับได้แบบนี้จิตใจที่เคยพุ่งซ่านเลื่อนลอยเมือนั้นมันก็สงบลงเพราะว่าพระท่านจะต้องแนะนําว่าไอ้เรื่องดีเรื่องชั่วมันมีอยู่ประจําโลกนี้ดังนั้นเขาก็จะเจ้าสอนให้ละเรื่องชั่ว ไอ้คุณนะกําลังยึดเอาเรื่องชั่วไปในใจอยู่เนี่ยมันจึงเป็นทุกข์เรือดร้อนอยู่นี่แหละแล้วทําไมยังไปยึดเอาไว้เรื่องชั่วเรื่องชั่วนั่นนะยึดไว้ก็เหมือนกันกับยึดเอาไฟมาจี้ตัวเองอยู่นั่นแหละมันก็ร้อนอยู่อย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องดียึดเอาเรื่องดีไว้มันก็ออกมาเหมือนอย่างเอาน้ํามารด ตัวเองในเวลามันรนะ้อนนะร่างกายมันก็เย็นไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นเนี่ยใจที่ยึดมั่นอยู่ในกุศลธรรมคุณความดีต่างๆเหล่านั้นเนะี่ยคุณความดีคือบุญกุศลก็ทำใจให้เยือกเย็นสบายอยู่สงบรับอยู่อย่างนี้นะเพื่อพระท่านจะชี้แจงนี้ให้ฟังอา้าวมันมองเห็นทางแห่งความสงบ ของขิต ด, ด้วยการทำความเชื่อมั่นในบุญในคุณเหล่านี้ลงไปแล้วมันก็วางเรื่องคุ้มใจต่งางๆนั้นเสียได้เมื่อใจมันโน้มไปทางกุศลธรรมเข้าไปแล้วมันก็วางสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นได้แล้วมันก็หายคุ้มทอนั่นเองเนี่ยอัอนนี้คอนส่วนมากนะ เมื่อกุ้มใจแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ตกทั้งที่เราได้ร่วมใจกันสร้างวัดวาศาสน า, ษ า, ษ า, ษามีพระมีเจ้าท่านผู้ปฏิบัติตามคําสอนพี่เจ้าก็มีอยู่แล้วที่นี้ไม่ไปหาลืมเสียแล้วลืมวัดวาศาสน า, า, าเลยกุ้มใจเข้ามากแล้วบางครั้งก็เอาเล่านั่นแหละเป็นเพื่อนนะ่ะเอาเล่านั้นแก้กุ้ม ไปหาดื่มเหล้าให้เมาแล้วมันจะได้ลืมความคิดความกุ้มเหล่านั้นไปเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วมันหาลืมไม่มันก็ติดตามไปอยู่นั่นแหละเพราะว่าใจมันยึดถือเอาไวน้นี้เราที่ไปเอาเหล้านั้นไ ป, ไปแก้จิตนั้นมาให้มันยึดถือเรื่องชั่วเรื่องทุกขเหล่านั้นนะไปได้ยังไงอ่ะ เล่านั้นมันเป็นได้เพียงทําให้ร่างกายนเนี่ยเอมึอนเมาลืมเจ็บลืมปวดไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะอืมดังนั้นอย่าไปเข้าใจผิดผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งหลายนะ่ะอืมเมื่อมีทุกข์มีร้อนอะไรก็ต้องเข้าไปหาพระไประบายให้พระท่านฟังท่านมีอุบายอย่างไรท่านจะได้แนะนําสั่งสอน คลายทุกข์นั่นไปได้ถ้าไม่ไม่เป็นเช่นว่านี่ผู้นับถือบุริศาสนานี่ก็ไม่ได้ประโยชน์อันแท้จริงจากความบุทธษศาสนาเลยอไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะอย่างั้นเนี่ยถ้าผู้ฉลาดแล้วเมื่อหาว่าเกิดความขัดข้องอะไรขึ้นมาในใจแล้วนี่ก็ ลำพังปัญญาของตัวเองไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ก็ต้องไปหาท่านผู้รู้ทั้งหลายในวัรร่าศาสานาเพื่นช่วยแก้ไขให้แต่ครั้งพุทธเจ้าก็มีอยู่ย น, นั่นในตำราก็แสดงไว้ใครมีทุกข์มีร้อนอะายก็เข้าไปหาพระถ้าไม่ได้ไปหาพระพุทธเจ้าก็ไปหาพระสงฆ์เช่นนี้พระสงฆ์ท่านก็ จะแนะนําสั่งสอนไปแล้วก็จะคลายความเดือดร้อนไปในครัง้งพระเจ้ายังมีอุบาสกคนหนึ่งเที่ยวไปปฏิบัติทูเจ้าอยู่บ่อยๆ อ, อยู่อันอยู่ต่อมานี่ภรรยาของเขาไปเล่นชู้จากหัวจะแล้วเขารู้เข้าอย่างนี่เขาไม่รู้ว่าจะทํำยังไงกืนก็ไม่เข้าคลายก็ไม่ออกก็เลยกุ้มใจยังไง ไม่ได้มาปฏิบัติพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้นะได้หลายวันจึงได้โผ่ไปพระพุทธเจ้าจึงจัดถามว่าวันก่อนๆทำไมไม่เห็นมามีเรื่องขัดข้องอะไรก็จึงกราบทูลเล่าเรื่องเมียตนไปมีชู้กับชายอื่นให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนอบบอกอุบายให้ เ, ออเมื่อเช่นนั้นแล้วก็อย่าไปแสดงปฏิกิริยาอันไม่พออกพอใจกับเขาให้ทำตัวเฉยไปอย่างนั้นแ่ะเรื่อยไปมีหน้าที่อะไรก็ทำไปเรื่อย อ, อ, อย่างนั้นแล้วฝ่ายภรรยามันจะรู้ตัวมันจะตื่นตัวแล้วมันจะหยุดทำชั่วเหล่านั้น อุปสมกนั้นน่ะต่อจากนั้นอุปสมกนั้นก็ทําตามที่พระองค์สั่งกลับไปบ้านก็ทาดีพูดดีกับภรรยาไปอยู่นั้นไม่แสดงความเปียดชังภรรยาอะไรออกมาเลยคลายภรรยาวันนี้เกิดระแวงขึ้นมาแล้วเอ๊ะบางทีไอ้เจ้าสามีนี่มันจะคอยจับผิดเรานี่ น, นนะไม่เห็นเขาแสดงกิริยาอันไม่พออกพอใจ อะไรต่อเราเลยพรานนี้เขาก็รู้เราอยู่ว่าเราทำชั่วยังไงอ่ะไม่ได้ดอกสักวันหนึ่งเขาจะจับความชั่วของเราได้แล้วพอคิดอย่างนี้แนละ้วเขาก็เลยยกเลิกไม่ประพฤติ ผ, ผิดมิจฉาจารกรรมนั่นต่อไปเช่นนั้นแล้วเขาอุบาสกนั่นก็เลยมีความสุขความสบายใจตั้งแต่นั่นมา ถามาเฝ้าปฏิบัติพระองค์ตามปกติมันเป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้นับถือบริษตทสนานี่เมื่อนับถือเป็นนับถือด้วยความฉลาดก็อย่างว่านั่นเนี่ยมันก็สามารถแก้ความทุกข์ได้บรรเทาทุกข์ทางจิตใจได้เป็นอย่างนั้นนี่ได้พูดถึงในวัดวาอารามของเรา อย่างนี้นะก็เป็นธรรมดาในบ้นึอื่นๆผมก็มีผู้เป็นประมุขเป็นประธานของหมู่ของคณะอ่าอย่างนี้แหละคราวนี้หมู่คณะผู้ใดมีความทุกข์ร้อนใจอะไรเป็นชวนตัวก็ต้องมาระบายให้ผู้เป็นประมุขประธานฟังเพื่อนได้รู้แล้วเพื่อนก็จะหาอุบาย แนะนำให้ออกจากความยุ่งเหยิงความวุ่นว า, ายในจิตใจนั้นได้ลำพังในตัวเองไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้สงบระ ง, งับลงได้เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ให้พากันเข้าใจเราได้มีบุญวาสนา ได้ทามาแต่ก่อนบุญส่งเรามาให้ได้มาปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะนะบพ่ า, เ, พาเป็นลาบอันประเสริฐแล้วถ้าหากว่าผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จริงๆเลยไม่มีทางจะพ้นทุกข์ได้ถ้านอกออกนอกระเบียบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ไม่มีทางพ้นทุกได้เลยมันเป็นงนั้นเพราะว่าทำสอนของศาสดาอื่นไม่รอบครอบเลยยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเรื่องปานาติบาตข้าสัตอย่างงี้นะเราพุทเจ้าทรงสัตว่วาเป็นบาปเป็นโทษจะเป็นสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็น ทั้งหลายทําให้มันตายลงอืจะอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนก็าตามคันเมื่อมีเจตนาทำให้มันตายแล้วมันก็เป็นโทษทั้งนั้นเลยอแต่ลทัทพิบางราทีิเขาสอนกันนะเออถ้าหากว่าสัตว์ที่อยู่ในบริเวณหนึ่งกิโลเมตรบนทนเนี่ยห้ามฆ่าฆ่าไม่ได้เป็นบาปอืม ถ้าสัตว์ที่อยู่เลยหนึ่งกิโลเมตรออกไปแล้วฆ่าไม่เป็นบาป อ, อันนี้ว่าตามตำรานะท่านเปน็นยางไงดังนั้นพระที่อื่นศาสนาอื่นมันจึงชื่อว่ามันลำเอียงเข้ากับกิเลส อ, อย่างนั้นขึ้นชื่อว่าฆ่าแล้วนะมันจะไม่มีโทษมีบาปมันไม่มีเลยจะฆ่าอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะว่าทุก สัตว์ทุกชีวิตมันก็หวงชีวิตของตัวเองไม่อย่างให้มาเบียดเบียนมาฆ่ามาทำลายให้มันตายไปเองมันอย่างนี้แต่และเมื่อมีใครมาฆ่ามาทำลายมันก็เสียใจมันก็เดือดร้อนใจแต่มันไม่มีอำนาจอยู่เหนือผู้ฆ่ามันก็ยอมตายไปอย่างนั้นเลยแล้วบาปกรรมที่ผู้ทำนั้นมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์ไป ก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละมนุษย์ถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ง่ายๆนี่ก็เพราะมันสารุปลงแล้วก็เบียดเบียนกันนี่เองเนี่ยขอให้เข้าใจมันเบียดเบียนกันนี่นะลองสังเกตดูสิโลกอันนี้ถ้าหากว่าไม่เบียดเบียนกันแล้วนะมันมันก็มีความสุขขอสมควรดีเราแหละอืยิ่งอยู่อันทุกข์แก่ทุกเก็บทุกตายนั่นนะ มันก็มีอยู่นั่นเป็นประจําอยู่แล้วแต่ทุกแก่ทุกเจ็บ ท, ทุกตายมันก็ทุกเฉพาะแต่เวลามีชีวิตยอยู่นี่ทอนนี้เองเมื่อตายลงไปแล้วไอ้ร่างกายนี่มันแตกสลายลงเมือนก็นแล้วไปแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมที่บุคคลกระทำนะ่ะมันไม่แล้วนะวันนี้นะมันเป็นงั้นมันตามไปสนองในชาติหน้าต่อไปอีกออันนี้นะพระพุทธเจ้ายัางสอนให้ พากันสนดุ้งหวาดกลัวพากันเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ในนรกอบายภูมิอืมเอานรกอบายภูมินี่นะมาเตือนใจบ่อยๆผู้ปฏิบัติธรรมนะเมื่อมันนึกว่ามันจะเกียกคร้านไหวพระภาวนาเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เตือนตนนะอ้าวนรกนั่นอ้าปากท่าอยู่แล้วนะบุคคลผู้เกียจคร่านนั่งสมาธิภาวนา เกียข้านสำรวมจิตเพ่งจิตฝึกจิตของตนแล้วกิเลส ท, ทั้งหลายมันจะไปจูงให้ใจให้ไปทำชั่วพูดชั่วไปจะสร้างกรรมชั่วใส่ตัวเองไม่รู้ตัวเหรื อ, อมเมื่อมีอุบายเตือนใจเข้าไปอย่างนี้มันก็จะขยันหมั่นเพียรไหวพระนั่งสมาธิภาวนาเข้าไป เพราะการละบาปบำเพ็ญบุญไม่มีใครทำให้ใครได้ขอให้เข้าใจทุกคนต้องทำเอาเองผู้อื่นช่วยก็มีแต่เพื่อนบอกอุบายละบาปบำเพ็ญบุญให้ฟังดังที่แสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี่แหละเมื่อผู้นั้นได้ฟังแล้วไม่ปฏิบัติตามแล้วมันก็ช่วยไม่ได้เลยไม่มีใครจะช่วยได้เพราะเรื่องศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องบังคับกันนะ มันเกิดจากความพอใจของบุคคลแต่ละค น, นเมื่อพี่นาเห็นคำสอนของพุทธเจ้าเราจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงผู้นั้นก็ขมักขมเอนขึ้นโดยตนเองบังคับตัวเองหามความเพียรไปไม่หยุดไม่ยัง้งอย่างนี้นะมันถึงจะพ้นทุกข์ได้คอยเข้าใจกันเราจะไปคอยแต่จะให้ผู้อื่นนั่นตักเตือนสั่งสอน อยู่เรื่อยไปถึงจะทําความดีได้จึงจะทําความเพียรได้อย่างนี้ควรจะเลิกคิดได้แล้วเรื่องอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่มีใครที่จะตามสั่งสอนเราอยู่เรื่อยไปครับไม่มีเพราะต่างคนแต่ก็มีภาระกิดของใครของเราอยู่อย่างนั้นดังนั้นอย่าไปคิดว่าเมื่อไม่มีผู้แนะนําสั่งสอนแล้วก็สนุกสันนัน เพลิดเพินมัวเมาไปอย่างนี้ผู้นั้นน่ะจักพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยเรียกว่าช่วยตัวเองไม่ได้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นขอให้พากันเข้าใจว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรชยาคนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้อัตนาหิสุรันเตะนะนาถังละพติดุลลพังเมื่อตอนฝึกขนอบรมตนให้ดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งหาได้ด้วยยากดังนี้นี่นะพระพุทธภาติตรลยลองพี่นานดูสิบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้ พระองค์เจ้ากันเน่นำสั่งสอนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันจำเอาพาสิทธิไว้แล้วเทือนตนสอนตนเสมอไปให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในอัิมาธาธรรมคือความไม่ประมาทพยายามผกตนไปอบรมตนในบาปุญคุณโทษประโยชน์รือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจเจธรรมทั้งสี่ ดังที่แนะนำมาแล้วนั่นเนี่ยให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นในใจเราจึงจะละเหตุแห่งทุกได้เมื่อละเหตุไปหมดได้เท่าไรทุกก็หมดไปเท่านั้นเนี่ยส่วนนี้ยังละไม่ได้มันก็ยังมีทุกเหลืออยู่อย่างนี้นะอย่างน้อยเราก็ทำละเหตุแห่งทุกอันยามยากให้มันเบาบางไปให้มันเหลือแต่เหตุแห่งทุกอัน เบาบางอันไม่หนักเท่าไรนั้นก็นยังว่าแผลฐานดีแล้วน ะ, ะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจพาวนาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ใจเห็นสภาวธรรมทั้งหลายด้วยตนเองได้ความเป็นจริงดังแสดงมาพอจบลงเพียงเท่านี้